สี่สิบกรรมคืออำนาจแท้สร้างมนุษย์เทวดาสัตว์นรกกรรมจึงเป็นผู้สร้างมนุษย์ตัวแท้สำหรับชาวพุทธกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดกรรมโย น, นิตัวจริงไม่ใช่อำนาจสิ่งยิ่งใหญ่ใดไหนเลยที่ทำให้คนเกิดหรือให้คนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นมนุษย์ เป็นเทวดาเป็นสนรกเป็นสุขทุกข์เป็นคนดีชั่วและอื่นๆจึงชัดเจนยิ่งว่ากรรมนี่เองที่เป็นพระเจ้าตัวจริงกรรมนี่เองคือผู้ให้กำเนิดพาเป็นไปแท้ๆกรรมมโยนี้กรรมของตนจึงยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นอำนาจแท้ในตน กว่าอำนาจใดๆในมหาเอกภพกรรมจึงคือพระเจ้าแท้เป็นผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญญาณจริงที่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติของตนเองพิสูจน์ความจริงอย่างสมบูรณ์เป็นวิทยาศาสตร์การถ่ายทอดเชื้อพันของสัตว์ตระกลกที่เป็นสัตว์ทางจิตนิยาม จึงต้องถ่ายทอดเชื้อพันธ์กันทางกรรมบ่งเล็บดีดการกระทาคือทางการปฏิบัติหรือทางการประพฤติจรณะนั่นเองไม่มีทางอื่นหมายความว่าเราจะถ่ายทอดพันธ์หรือสืบทอดพัน์กันอย่างแท้จริงพันธ์ที่ว่านี้คือเผ่าพันธ์ที่เป็นเชื้อแท้ของพุทธ หรือสืบทอดความเป็นพุทธกันจริงๆและเป็นเชื้อแท้เชื้อที่ถูกต้องไม่เป็นพุทธเก๋ไม่เป็นพุทธเพี้ยนไม่เป็นพุทธปลอมไม่เป็นพุทธนอกรีธิไม่เป็นพุทธกลายพันธุ์ไม่เป็นพุทธ เ, เ, เสื่อมอย่างทุกวันนี้เราได้ศึกษามาแล้วว่า อุตุนิยามนั้นธาตุที่ยังไม่เป็นชีวะแม้อุตุนิยามที่เป็นพลังงานจะดีจะเก่งจะวิเศษแค่ไหนก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นชีวะจนกว่าพลังงานขั้นอุตุนิยามจะพัฒนาหรือมีเหตุปัจจัยประกอบกันสังเคราะห์หรือสังขารกัน มีคุณภาพเข้าขั้นเป็นชีวะซึ่งก็ต้องนับเอาความเป็นพลังงานในธาตุนั้นๆที่เกิดที่เป็นจริงเป็นตัวชี้บ่งว่าเป็นชีวะหรือยังไม่เป็นชีวะไม่ใช่หมายเอาแค่สสารหรือภายนอก